มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆยึงได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาพัฒนาชีวิตของตนให้เจริญก้าวหน้า ร, รุ่งเรืองพัฒนาส่วนที่สำคัญก็คือจิตใจซึ่งเป็นการพัฒนาที่แท้จริงเป็นการพัฒนา ที่ถาวรเพราะจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ถาวรไม่มีวันเสื่อมสลายไม่มีหมดไปเหมือนกับร่างกายที่มีวันที่จะต้องเสื่อมสลายหมดไปการพัฒนาที่แท้จริงจึงต้องพัฒนาที่จิตใจการพัฒนา ท, ที่ร่างกาย เป็นการพัฒนาชั่วคราวเช่นการพัฒนาลาบยศสรเสริญพัฒนาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายเพราะมีกายเป็นที่ตั้งของการพัฒนาเมื่อกายตายไปลาบยศสรเสริญและสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็จะหมดสภาพไป ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะให้ความสำคัญต่อการพัฒนาลาบยศสารเสริอมสุขทางตาหูจมุกลิ้นกายให้มากจนเกินไปพัฒนาพอที่จะอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อนก็พอแล้วควรที่จะมาพัฒนาทางจิตใจจะดีกว่า เพราะจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายเป็นสิ่งที่ถาวรการพัฒนาจิตใจก็จะเป็นการพัฒนาที่ถาวรดังที่พระพุทธเจ้าได้พาสาวกทั้งหลายได้พัฒนากันมาแล้วจนพระไถ่ของพระพุทธเจ้าและจิตใจของพระสาวกทั้งหลายได้ก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุด ก็คือได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้พบกับปรมังสุขขงังคือบรมมสุขเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาเจือปนส่วนการพัฒนาทางร่างกายนี้เป็นการพัฒนาชั่วคราว และเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มีความทุกข์เจือปนอยู่ด้วยเสมอไม่ว่าเราจะได้อะไรมาได้ความสุขจากอะไรก็ตามเราก็จะต้องได้รับความทุกข์ความทุกข์จากสิ่งที่เราได้ความสุขด้วยเช่นบุคคลที่เรารักเรามีความสุขแต่เมื่อถึงเวลาที่เขา ต้องเสื่อไปต้องจากเราไปเราก็จะได้รับความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรมีการเจริญก็มีการเสื่อมเช่นลาบมีการเจริญลาบก็มีการเสื่อมลาบยศมีการเจริญยศก็มีการเสือ่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทา มีสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็มีความทุกข์ทางตาหูจมูกลิ้นกาย mm hmm. เช่นเดียวกันนี่เป็นของที่คู่กันถ้าเรายังชอบหรื อ, อยังยึดติดอยู่กับการเจริญของลาบยศสระเสริมของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ mm hmm. เวลาที่เรา พบกับความเสื่อมของลาบยศสรรเสริญสุขเราก็จะทุกข์ทรมานใจทุกวันนี้ที่พวกเราทุกข์กันเดือดร้อนกันวุ่นวายกันก็เพราะความเสื่อมของลาบยศสรรเสริญความเสื่อมของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เองแต่พวกเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร เพราะเป็นเหมือนคนติดยาเสษติดติดในล่างยศสำเสริญติดในสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถึงแม้จะทุกข์ก็ต้องทนทุกข์ไปบางครั้งถึงกับข่าตัวตายไปก็มีแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ไม่ได้มาพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอันประเสริฐเราจะไม่รู้ว่าเรามีอีกส่วนหนึ่งที่สาคัญกว่าร่างกายก็คือใจและความสุขที่เราจะได้รับจากการพัฒนาจิตใจก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราจะได้รับจากการพัฒนาทางร่างกาย พอเราได้ พ, พุทธศาสนาเราก็มีทางออกมีทางที่จะหนีไปจากความทุกข์ของาลาภยศสรรเสริญสุดได้เพียงแต่ว่าเราต้องมีศรัทธาความเชื่อและมีความวิรยิยะความภาคเพียงที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน คือสองสอนให้เราพัฒนาจิตใจให้เจริญรุ่งเรืองให้มีแต่ความสุขให้หยุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายสิ่งที่พูะเจ้าสงสอนนี้ก็มีอยู่3าประการด้วยกันคือ 1. ให้ทำบุญ 2. ให้ละบาป 3. ให้ชำระใจให้สาบริสุทธิ์นี่คือการพัฒนา จิตใจเป็นการพัฒนาที่ถาวรที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปอย่าไปพัฒนาทางร่างกายที่จะต้องเสื่อมหมดไปเมื่อร่างกายหมดสภาพไปเมื่อร่างกายตายไปาะลาภยศสรรสริญและความสุขทางตาหูจหมูกเลี้ยงกายก็จะหมดสภาพไปเช่นเดียวกัน หรือกลายเป็นสมบัติของผู้อื่นไปเช่นทรัพย์ ส, สมบัติเ้าขางเงินทองที่เราหามาได้มากน้อยเพียงไรเวลาตายไปก็กลายเป็นสมบัติของผู้อื่นไปยศก็เหมือนกันยศเขาก็ถอดเขาก็เอาไปให้ผู้อื่นต่อไปสารเสริญก็หมดไปเพราะว่าเราไม่มีหู ไม่มีร่างกายที่จะมารับรู้คําสรรเสริญได้อีกแล้วความสุขที่เคยได้รับจากรูปเสียงกลิ่นโนดโภตภพก็จะหมดไปเช่นเดียวกันแต่ความสุขทางใจที่เราได้พัฒนานี้ไม่ได้หมดไปกับการเสื่อมสภาพของร่างกายความสุขของใจนี้ยังติดอยู่กับใจ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็ตามไม่มีส่วนที่จะมากระทบหรือมาลบล้างความสุขที่มีอยู่ภายในใจได้เพราะเป็นเหมือนคนสองคนร่างกายเป็นคนหนึ่งใจเป็นอีกคนหนึ่งคนหนึ่งตายไปอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้ตายไปไม่ได้สูญเสียความสุขไปกับคนที่ตายไป อย่างนั้นเราจึงควรจะให้ความสำคัญต่อการพัฒนาจิตใจของเรายิ่งกว่าการพัฒนาร่างกายพัฒนาราบยศเสริญและสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายควรที่จะทุ่มเทเวลามากับการพัฒนาจิตใจของเราด้วยการทำบุญ บุญนี้พระพุทธเจ้าก็สงสอนมีอยู่หลายประการด้วยกันเช่นการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมการรับใช้ผู้การมีความเห็นที่ถูกต้องนี่คือบุญที่เราควรจะพัฒนาการมันนิยตาโยงก็มาทำบุญ แล้วก็มาฟังเทศฟังธรรมกันเมื่อฟังเทศฟังธรรมหูตาก็จะสว่างจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดจะรู้ว่าการพัฒนาชนิดไหนเป็นการ พ, พัฒนาที่ถูกต้องเราจะได้ไม่ไปเสียเวลากับการพัฒนาสิ่งที่จะต้องสูญสลายไปเหมือนกับเวลาที่เรา ไปเล่นน้ำที่ชายทะเลแล้วเราก็ก่อกองทรายขึ้นมาก่อให้เป็นอะไรต่างๆเป็นปราสาทลอชวรงแต่เวลาน้ำขึ้นมาน้ำก็จะล้างปราสาททรายที่เราสร้างไว้ให้ละลายสลายไปหมดเลยอันใดราบยศสรรเสริญสุขที่พวกเรา สร้างกันขึ้นมาก็เช่นเดียวกันน้าของเราก็คือเวลาเวลาเมื่อถึงเวลาเวลาก็จะมาสลายลาบยศสรรเสริญสลายร่างกายของเราให้กายเป็นที่เท่ากันให้กายเป็นเศษกระดูกไปกายของเราที่ไม่ได้รับการพัฒนาก็จะต้องไปอย่างแบบ อดอยากขาดแคลนไปแบบขอทานไปแบบต้องมานั use, ่งรอรับส่วนบุญของผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างพวกเราเวลาทำบุญแล้วเราก็กวดหน้ามุทิตส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เลื่องลับไปแล้วก็หมายถึงผู้ที่เวลาที่มีอยู่มีชีวิตอยู่ไม่ได้ให้ความสนใจ ต่อการพัฒนาจิตใจไม่สนใจต่อการสร้างฐานะสร้างความร่ำรวยให้แกจ่จิตใจพอจิตใจตายไปก็เลยต้องไปแบบขอทานต้องไปรอรับสวนบุญต่างๆแต่ถ้าได้ทำบุญอย่างสม่าเสมอได้รักษาสิ่งอย่างสมาเสมอคือไม่ทำบาปได้ ชำระใจอยู่เรื่อยๆเวลาตายไปก็จะไปแบบเศรษฐีไปแบบผู้ที่มีความสุขมีความอื่นไม่มีความหิวไม่มีความอยากไม่มีความต้องการอะไรก็ไม่จาเป็นที่จะต้องมาเข้าฝันไม่ต้องมาวนเวียนอยู่ใกล้บ้านของตนเพื่อให้ญาติพี่น้อง อุทิศส่วนบุญส่วนกุสมไปให้นี่แหละคือสิ่งที่เรามักจะมองข้ามกันเพราะเรามองไม่เห็นจิตใจของเราเราไม่รู้เสียด้วยซ้าไปว่าเรามีจิตใจเราคิดว่าความรู้สึกนึกคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแต่ความจริงแล้วความรู้สึกนึกคิดนี้เป็นคนละส่วนกับร่างกายเป็นคนละคนกัน ร่างกายนี้ถ้าไม่มีใจไม่มีความรู้สึกนึกคิดก็จะเป็นซากศดไปศพนี้เวลาเราเอาอะไรไปทำเอามีดไปฟันเอาไฟไปเผาร่างกายจะไม่มีความรู้สึกรับรู้เลยปล่อยให้ฟันได้อย่างสบายปล่อยให้เผาได้อย่างสบายเพราะผู้มีความรู้สึกนึกคิด ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแล้วได้จากร่างกายไปแล้วก็คือจิตใจนี่เองดังนั้นเราจึงอย่าไปให้ความสาคัญกับร่างกายมากไปกว่าการให้ความสาคัญต่อจิตใจเพราะจิตใจเป็นของที่ไม่ตายเป็นของที่ถาวรที่กำลังรอการพัฒนาจากเราอยู่ รอการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับใจรอการชำระความเศร้าหมองต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าเราทำภารกิจทางจิตใจแล้วจิตใจของเราจะมีแต่จเจริญขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันเสื่อมและไม่มีวันหมดไปนี่คือความสำคัญของจิตใจของเรา พราะความสุขที่เราจะได้รับจากจิตใจนี้มีมากกว่าความสุขที่เราจะได้รับทางร่างกายทางร่างกายความสุขทางร่างกายถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนน้ําในแก้วส่วนความสุขทางจิตใจนี้ก็เหมือนน้ําในบ่อในสระมีความยิ่งใหญ่แตกต่างกันมากความทุกข์ก็เช่นเดียวกัน ความทุกข์ทางร่างกายก็เป็นเหมือนขนาดน้ำในแก้วความทุกข์ทางใจก็เป็นเหมือนน้าในบ่ในสระเวลาใจทุกข์แลนี้ความสุขทางร่างกายจะไม่สามารถที่จะมาต้านทานหรือดับความทุกข์ทางใจได้เลยมหศรษฐีเมื่อเวลาเกิดความทุกข์จึงไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ทางใจ ด้วยอำนาจของความสุขทางร่างกายคือเงินทองที่มีอยู่ได้เลยแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าใจมีความสุขแล้วต่อให้ร่างกายมีความทุกข์มากน้อยเพียงไรก็ตามความทุกข์ของร่างกายจะไม่เป็นปัญหาเลยเพราะความสุขของทางใจนี้สามารถลบล้างได้หมดเลย ทำใไม่รู้สึกว่าทุกข์เลยเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาแก่เวลาตายนี้จิตใจที่มีความสุขเหมือนจิตใจของพ่อพุทธเจ้าและของพระสาวกทั้งหลายจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่เดือดร้อนกับความตายใจของท่านนี้มีความสุขอยู่นั่นเอง ไม่ได้ทุกข์ไปกับร่างกายความทุกขของร่างกายที่เป็นเหมือนน้ำแก้วเดี่ยวจะไปสู้กับความสุขที่เป็นเหมือนน้ำในบอ่อในในสระได้อย่างไรนี่แหละคือความยิ่งใหญ่ความสำคัญของใจผู้ที่ได้พัฒนาใจให้มีความสุขเต็มเปลี่ยนเหมือนพระพุทธเจ้าและพระส า, าวกแล้ว จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายจะไม่ทุกข์กับการพลาดพลาดจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบจะไม่ทุกข์กับกา ร, รเผชิญกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาทั้งหลายจ ะ, ะเผชิญได้อย่างไม่หวั่นไหวไม่วิตกกังวลไม่เดือดร้อนโลกนี้เมื่อถึงเวลาที่เขาจะตายไปดับไป ใจนี้ก็ไม่หวั่นไหวเพราะใจไม่ได้ดับไปกับโลกนี้ใจอยู่กันคนละโลกใจอยู่โลกทิพย์โลกนี้เป็นโลกกระถาเป็นคนละโลกกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้ก็ไม่ได้ไปเกิดขึ้นกับใจใจที่ได้รับการชำระความโลภความโกรธความหลงแล้วจะเห็นความจริง จะเห็นว่าโลกนี้ไม่ใช่เป็นโลกที่ใจอยู่ใจนี้อยู่อีกโลกหนึ่งเรียกว่าโลกที่อยู่คนละโลกกันเหมือนพระจันทร์กับโลกนี้อยู่คนละที่กันเวลาอะไรเกิดขึ้นกับโลกนี้คนที่อยู่ที่บนโลกพระจันทร์ก็จะไม่เดือดร้อนนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับรู้ จากการที่เราพัฒนาจิตใจจากการที่เราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราจะเห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วเราจะไม่หลงไปยึดติดกับสิ่งต่างๆที่จะทำให้เราต้องทุกข์ทรมานใจใจของเราจะสุขหรือจะทุกข์นี้อยู่ที่ว่า มีความรู้หรือมีความหลงถ้ามีความหลงก็จะทุกข์เพราะจะไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆการยึดติดนี้การอยากให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นเหตุที่จะทำให้ใจของเราทุกข์ทมานใจเช่นเราอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เวลาเขาไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยากเราก็จะ ทุกข์ใจทรมานใจวุ่นวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเวลาเราอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะทุกข์ทรมานใจเพราะเราไม่รู้ความจริงว่าเราไม่มีอำ น, นาจที่จะไปสั่งหรือไปบังคับให้สิ่งต่างๆหรือคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เขามีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงของเขาแล้วเรามีความอยากให้เป็นอย่างอื่นเราก็จะสร้างความทุกข์ใจให้กับเราโดยใช่เหตุแล้วเราก็จะไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้สิ่งต่างๆเขาก็จะเป็นไปตามเรื่องของเขาเช่นร่างกายของเรานี้ เราก็ไปสั่งให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาถ้าเรามีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายใจของเราจะเดือดร้อนจะวุ่นวายจะหวาดกลัวแต่ถ้าเราเห็นความจริงว่าฝืนไม่ได้ร่างกายนี้เราไปฝืนเขาไม่ได้ เราไปสั่งให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ได้แล้วเรายอมรับความจริงแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายรับรองได้ว่าใจของเรานี้จะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนจะรู้สึกเฉยเฉยนี่คือสิ่งที่เราสามารถทำได้แต่เราไม่ค่อยทำกันเพราะเรายังอยากให้เป็นอย่างนั้นยังอยากให้เป็นอย่างนี้อยู่ ดังนั้นเราจึงต้องมาแก้ความอยากต่างๆเหล่านี้ด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการหยุดความคิดด้วยการทำใจให้สงบแล้วหลังจากที่ใจสงบแล้วเราค่อยมาสอนใจให้คิดไปอีกทางหนึ่งคืออ ย, อย่าคิดไปในทางอยากให้คิดไปในทางไม่อยากคือจะแ ก, ะก่ก็ก็ยอมรับ จะเจ็บไายได้ป่วยก็ยอมรับจะตายก็ยอมรับคนอื่นจะเป็นอย่างไรก็ยอมรับเขาจะดีเขาจะไม่ดีก็ยอมรับไม่ต้องไปอยากให้เขาดีกับเราเช่นพวกเราทุกคนนี้ไม่อยากให้เขาไม่อยากฟังคนด่าเรากันแต่เราก็หนีไม่พ้นอยู่ในโลกนี้ต้องโดนคนด่าเสมอถ้าเรา หยุดความอยากไม่ให้คนด่าเราได้เวลาคนด่าเราเราจะไม่เดือดร้ อ, อนปัญหาของพวกเราก็คือเราอยากให้คนชมไม่อยากให้คนด่าเราเราจึงต้องทุกทุกครั้งเวลาที่เราได้ยินเสียงดา่าแต่ถ้าเราสามารถหยุดความอยากไม่ให้คนด่าเราได้หยุดความอยากให้คนชมเราได้เราจะไม่เดือดร้อน ใครจะด่าเราเราก็ไม่เดือดร้อนใครจะไม่ชมเราเราก็จะไม่เดือดร้อนเราจะรู้สึกเฉยเฉยเพราะมันก็เป็นเพียงลมปากเท่านั้นเองเหมือนเสียงนกเสียงกาทำไมเราไม่ไปเดือดร้อนกับเสียงนกเสียงกาทำไมเราต้องไปเดือดร้อนกับเสียงด่าเสียงชมก็เพราะว่าเรามีความอยากเองถ้าเราไม่มีความอยากกับสิ่งใดแล้ว สิ่งนั้นจะไม่เป็นปัญหากับเราแต่ถ้าเรามีความอยากกับสิ่งใดกับบุคคลใดสิ่งนั้นบุคคลนั้นจะเป็นปัญหากับเราทันทีเช่นตอนนี้เราเดือดร้อนกับใครเราก็เดือดร้อนกับคนใกล้ตัวเรานี่แหละไม่ได้ไปเดือดร้อนกับใครเดือดร้อนกับสามีเดือดร้อนกับภรรยาเดือดร้อนกับลูกเดือดร้อนกับเพื่อนที่ทำงาน เดือดร้อนกับญาติสนิทมิตรสายคนที่เราไม่รู้จักเราไม่ใช่เราจะไม่ค่อยเดือดร้อนด้วยเพราะเราไม่สนใจเขาเราไม่ได้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่คนที่เราอยู่ใกล้นี้เราอดไม่ได้อดที่จะอยากให้เขาดีกับเราไม่ได้อดที่จะอยากไม่ให้เขาไม่ดีกับเราไม่ได้ พอเวลาเขาไม่ดีกับเราเราก็เสียใจปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาปัญหาอยู่ที่เราที่เราไม่ฉลาดเองที่เราไม่รู้ความจริงของเขาว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นเขามีเหตุมีปัจจัยที่ทาให้เขาดีบ้างไม่ดีบ้างขึ้ น, นลงๆเราจะไปให้เขาดีไปตลอดไม่ได้ เราจะให้เขาขึ้นไปตลอดไม่ได้เขามีขึ้นมีลงมีดีไม่ดีสลับไปนี่คือความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เราอยู่ด้วยไม่มีอะไรจะดีไปตลอดไม่มีอะไรจะเร็วก็ตลอดมีสลับกันไปดีบ้างเร็วบ้างไม่มีอะไรจะเจริญไปตลอดมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมบ้างเป็นธรรมดา ใจของเราจึงต้องฉลาต้องคอยสอนใจให้เรารู้ทันถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทันทีเพราะนี่มันเป็นนิสัยของพวกเรามันฝังลึกอยู่ในใจมันอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆต่อไปนี้เราต้องมาสอนใจหมายว่าเราอยากไม่ได้เราไปสั่งไม่ได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ เขามีขึ้นมีลงมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เราต้องคอยสอนใจแต่ก่อนที่เราจะสอนใจได้เราต้องหยุดใจไม่ให้คิดไปในทางเดิมไปคิดในทางที่เราเคยคิดอยู่ถ้าเราไม่หยุดทุกครั้งเวลาเราคิดเราจะคิดอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเลยเราจึงต้องหยุดความคิดด้วยการใช้ความคิดเช่นพุโทโธ ท่องพุทโธไปเรื่อยๆแล้วความคิดอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะถูกหยุดไว้ชั่วคราวพอเราหยุดความคิดความอยากได้แล้วเราก็มาสอนใจต่อไปนี้ว่าอย่าไปอยากกับอะไรอย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้คิดอย่างนี้ว่าเป็นอย่างไรก็ได้ดีก็ได้ชั่วก็ได้เกิดก็ได้แก่ก็ได้เจ็บก็ได้ตายก็ได้ พามันนสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นถ้าเราเตรียมแล้วเวลาเกิดขึ้นเราจะไม่เดือดร้อนเพราะความจริงแล้วเราก็ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับสิ่งต่างๆเยงแต่ว่าเราไปอยากให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปเท่านั้นเองนี่คือปัญหาของพวกเรา ที่เราไม่มาแก้กันเราไม่มาพัฒนาจิตใจของเราให้ฉลาดให้รู้ทันความจริงของสิ่งต่างๆถ้าเรารู้ทันแล้วเราจะได้ปล่อยวางเราจะได้ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆพอเราปล่อยวางแล้วเราก็จะสบายใจเหมือนตอนนี้เราก็ปล่อยวางสิ่งต่างๆเยอะแย ะ, ยะสิ่งไหนที่ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ไปยุ่งด้วย คนไหนที่ไม่ใช่เป็นเพื่อนเรานีอเป็นญาติเราเราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาคนเหล่า น, นั้นเราก็ไม่ทุกไปกับเขาสมบัติของเขาเขาจ ะ, จะเจริญหรือเสื่อมเราก็ไม่ได้ไปทุกกับเขาเพราะว่าเราไม่ไปยึดไปติดไม่ได้ไปอยากให้จเจริญรือเสื่อมนั่นเองแต่พออะไรที่เราถือว่าเป็นของเราอันนี้หละก็จะเป็นปัญหาขึ้นมา พราะอะไรเป็นของเราเราก็อยากจะให้ดีไปเรื่อยๆอยากให้เจริญไปเรื่อยๆอยากไม่ให้เสื่อมอยากไม่ให้จากเราไปพอเขาเสื่อมพอเขาจากเราไปเราก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเราไปหลงหยึด ต, ติดว่าเป็นของเรานั่นเองดังนั้นเราจึงต้องคอยสอนเราอยู่เรื่อยๆว่าไม่มีอะไรเป็นของเรา ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเป็นของเราเพียงประเดียวประดาเดี๋ยวมันก็จากเราไปแล้วเราต้องยินดีต้องพร้อมที่ให้เขาจากไปเสมอให้คิดว่าเป็นเหมือนของที่เรายืมมาใช้เรายืมของใครเข้ามาเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปคืนเขาฉันใดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานี้ก็เป็นเหมือนของที่เรายืมเขามาให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ ล้วเราจะได้ไม่หลงไปยึดไปติดไปอยากให้อยู่กับเราไปนานๆนี่แหละคือการสร้างความสุขอันยิ่งใหญ่ให้แก่ใจการดับความทุกข์อันยิ่งใหญ่ให้แก่ใจด้วยการพัฒนาจิตใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พัฒนาคือให้ทำบุญให้ล้างบาปแล้วก็ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธ ชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจถ้าเราทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนได้ทั้งสามข้อนี้แล้วรับรองได้ว่าเราจะได้ความสุขอันยิ่งใหญ่ความสุขระดับน้าในบ่อน้ำในสระแล้วความทุกข์ของร่างกายที่เป็นเหมือนน้ำในแก้วก็จะไม่เป็นปัญหากับเราอีกต่อไป จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาพัฒนาจิตใจที่เป็นการพัฒนาที่แท้จริงและเป็นการพัฒนาที่ถาวรนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่จะจะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณทศเสนตระหนใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขแลกพันเจริญแค่คลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากาเธอ